บทที่แปดสิบเรียนวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพระเจริญกลับมาถึงวัดพรมบุรีสมภารช่อได้บอกให้ทราบเรื่องที่สมเด็จพระพุทธจารย์ สังคมนตรีว่าการปกครองทั่วราชอาณาจักรมีหนังสือแจ้งมาอย่างเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ส่งพระที่จะเป็นอุปชาในอนาคตไปอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุเมื่อไปเป็นอุปชาจะได้สอนกรรมฐานให้ลูกศิษย์ได้นอกจากนี้ยังออกระเบียบเฉพาะกิจไว้ว่าพิสุรูปใดไม่ได้ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปชาเพราะขาดคุณสมบัติของการเป็นพระวิปัสนาจารย์เป็นโอกาสดีของเธอแล้วที่จะได้ไปเรียนศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้เป็นอุปชาต่อไปในโอกาสหน้าสมภารชอบบอกพระเจริญแต่อายุพรรษาผมยังน้อยนี่ครับหลวงพ่อแค่ห้าพรรษาจะเป็นอุปชาได้ยังไง พระหนุ่มติงเพราะการเป็นอุปชาได้นั้นจะต้องบวทติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบพรรษาก็ไปเรียนมาเสก่อนพออายุพรรษาครบเขาจะได้พิจารณาแต่งตั้งเธอเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนหลวงพ่อช่ออธิบายทำไมหลวงพ่อไม่ส่งรูปที่พรรษาแก่กว่าผมไปล่ะครับผมเกรงว่า จะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาพระเจริญแนะนำไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธอพวกนั้นน่ะหรือมีแต่ประเภทกินแล้วก็นอนแถมตดกันปูดปาดลั่นกุติคืนส่งไปขายหน้าเขาเปล่าๆหลวงพ่อชอบบ่นให้คนฟังมองเห็นภาพกระนั้นก็แก้แทนเพื่อนร่วมอารามว่าไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกครับหลวงพ่อ ที่ดีๆก็ยังมีอยู่หลายรูปหลวงพ่อน่าจะให้เขาไปก่อนเอาเถอะส่งเธอไปก่อนนั่นแหละดีแล้วรูปอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังถือว่าเป็นคำสั่งของสมภารห้ามคัดค้านหลวงพ่อชอบใช้วิธีเผด็จการไปอยู่นานไหมครับและจะเดินทางเมื่อไรพระหนุม่มเมื่อเห็นว่าไม่มีทางหลีเกเลี่ยง เห็นว่าหกเดือนออกเดินทางมาเรือนนี้เรือพงประจักษ์ออกจากท่าเวลาตีห้าตรงเธอไปเตรียมตัวได้แล้วคงมีเวลาไปล่ำลาโยมยายของเธอหรอกนะท่านรู้ว่าพระน่มผูกพันกับโยมยายพระเจริญนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อในป่าที่ว่าท่านจะได้พบอาจารย์ในอีกเจ็ดวันข้างหน้า หรือจะเป็นโอกาสดีของเราที่จะได้พบอาจารย์สอนสติปัฏฐานสี่อย่างที่หลวงพ่อในป่าท่านบอกซ่อนความปิติอินดีไว้แล้วไปถามหลวงพ่อช่อว่าวัดมหาธาตุอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลยอยู่ฝั่งบางกอกหรือว่าฝั่งธนบุรีครับอยู่ฝั่งบางกอกก่อนถึงท่าเตียน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 คงไม่มีปัญหาอะไรขอให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมก็แล้วกันหลวงพ่อส่งผมไปคนเดียวเหรอครับผมอยากได้เพื่อนสักคนงั้นเอาเนีนทองดีไปเป็นเพื่อนก็แล้วกันจะได้เอาไว้ใช้สอยทางโน้นคงไม่ว่าอะไรสมภารช่ออนุญาตเนีนทองดีที่พูดติดอ่างนั่นเหรอครับคนนั้นแหละ แต่ถึงแกจะพูดไม่คร่องก็ทำนานครองนะหรือจะเปลี่ยนเป็นเนนทรงกรดรายนี้พูดครองแต่งานไม่ครองสักเท่าไรจะเอาไหมละ่ะผมคิดว่าเอาเนนทองดีไปดีกว่าเนนทรงกรดฉลาดยังกับกรดผมกลัวจะตามแกไม่ทนันนั่นสิทั้งฉลาดทั้งกาล่อนฉันว่าจะไปทําให้เธอปวดหัวเสียมากกว่า สมภารช่อเห็นด้วยแล้วจึงสั่งอีกว่าไปบอกเนนทองดีให้รู้ตัวเสกกนจะได้มีเวลาไปล่ำลายาติโยมบอกว่าฉันอนุญาตแล้วพระหนุ่มจึงกราบสมภารสามครั้งและเดินกลับไปกุฏิที่พักเก็บเครื่องอัฐบริการเข้าที่ทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วก็สงน้ำ แกรองผ้าอย่างเรียบร้อยตั้งใจว่าจะไปบอกข่าวแก่เนนทองดีซึ่งอยู่กุฏิถัดไปจากท่านสองหลังเมื่อไปถึงเนนวัยสิบสามก็ทักขึ้นก่อนหลวงพี่แกลับกลับมาตั้งแต่เมื่อเมื่อไหร่สักพักใหญ่ๆนี่เองพอไปกราบสมภารท่านก็บอกว่า ให้ส่งหลวงพี่ไปเข้าอบรมกรรมฐานที่บางกอกได้พักแค่สองคืนมรืนจะต้องเดินทางอีกแล้วพระนุ่มบนไกลๆที่ที่ที่บางกอกหรือหรือววววัอะไรครับวัดมหาธาตุหลวงพี่จะมาชวนเนนไปอยู่ด้วยไปอยู่ที่บางกอกได้กันนะเนนทองดียังไม่เคยไปบางกอก และไฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้ไปครั้นได้ยินพระเจริญพูดก็ดีใจเป็นล้นพ้นจริงหรือผะผมไม่ได้ผ ะ, ผะฝันไปนะครับก็จริงนะสิอะไรจะฝันกลางวันแสกตกลงไปกับหลวงพี่นะสมผ่านท่านอนุญาตแล้วเน้นทองดีดีใจเหมือนได้แก้ว สมแล้วความหวังที่ตั้งไว้ว่าวันหนึ่งตัวฉะนั้นจะไปเยือนบางกอกให้ได้แม้เพียงครั้งรีบบอกพระหนุ่มว่าผ ม, ผ, มผมจะจะไปรับรับใช้หลวงพี่่นะครับขอบใจมากเป็นอังวะตกลงตามนี้นะมรืนเรือออกตีห้าตรง ออกจากวัดตีสี่ก็ทันถมเทปไปไปจัดการลาญาติโยมเสียให้เรียบร้อยสั่งเสร็จจึงเดินทางไปตลาดปากบางเพื่อไปส่งข่าวโยมยายและโยมพ่อโยมแม่ ท่านจะไปต่างถิ่นก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้ตรึกตรองให้รอบครอบเสร็จก่อนแล้วค่อยพูดค่อยทำอย่าลืมว่าท่านเป็นพระต้องสำรวมให้มากกว่าคฤ ห, หัสถ์โยมยายเทศนอกธรรมชาตเช่นทุกครั้งที่ท่านมาล่ำลาแม้จะเทศซ้ำาๆ ซ, ซากๆาก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 คนอายุ93หยุดคิดนิดหนึง่งแล้วก็ตอบว่าตกลงเรื่องใหม่ก็ไม่รับรองว่าการ น, นี้ท่านยังไม่เคยฟังมาก่อนแน่ตั้งใจฟังนะโยมจะสอนวิธีคบคนและปฏิบัติต่อคนประเภทต่างๆคนบ้าอย่าถือคนดือ้อย่าซ้อนคนจร อ, อย่าคบคนประจบอย่ารัก คนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าเลาะคนมาง้อขอโทษอย่าไปโกรธเคืองเขาจำได้หรือเปล่าไหนลองว่าให้โยมยายฟังหน่อยสิพระหลานชายว่าได้ไม่ผิดเพี้ยนแม้ตัวเดียวจนโยมยายออกปากชมความจำถหนดีเลือเกิน ต่อไปท่านจะกลายเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงหากโยมไม่ตายเสียก่อนคงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างที่โยมทำนายไว้หรือไม่พระหลานชายจึงย้าว่าโยมยายก็อย่าเพิ่งตายสิจะ้ะอยู่ต่อไปนานๆให้ลูกหลานได้ชื่นใจโยมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะตายนั่นแหละ คนอายุ93พูดหน้าตาเฉยดีแล้วโยมยายขอให้สมความตั้งใจนะอัตมาจะบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงถึงจะไม่ตายทำยังไงล่ะท่านคนอายุ93อยากรู้ง่ายนิดเดียวก็กินข้าวเข้าไว้กับหายใจเข้าไว้ทำได้สองอย่างนี้รับรองไม่ตาย เวลาอาตมาไปเยี่ยมศพเปิดฝาโลงดูเห็นนอนนิ่งไม่หายใจข้าวปลาก็ไม่ยอมกินอาตมาพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดท่านพูดไวอย่างไงนะโยมยายถามอย่างนึกสนุกอาตมาว่าโธ่เอ้ยโยมไม่น่าเลยบอกแล้วว่าให้หายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้ก็ไม่เชื่อเลยต้องมานอนในโลงอย่างนี้ ท่านพูดเสียงสูงเสียงต่ำจนคนฟังอดขำไม่ได้นางสาวจำแลงไปกง้งจากข้างนอกบ้านมาครั้นเห็นพระน้องชายนั่งอยู่จึงทักทายว่าไงล่ะท่านเมื่อไรจะสึกกลิ่นเหล้าโชยมากับคำถามพระเจริญถึงตอบว่าคงไม่สึกกรอกประเดี๋ยวจะต้องเมาเช้าเมาเย็นเหมือนคนบางคน แต่มันมีความสุขนะท่านยังไงยังไงก็ดีกว่าบวชเป็นพระและเข่าเย็นก็กินไม่ได้เหลาก็กินไม่ได้อึดอัดตายเลยอยู่อย่างนี้ดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะความสุขของคนชั่วแต่เป็นความทุกข์ของคนดีคนอายุเก้าสิบสามพูดลอยลอยชั่วหรือดี มันก็ตายทุกคนและยายไหนๆก็ต้องตายก็ควรจะหาความสุขเข้าไว้ก่อนจริงไหมหล่อนถามพระน้องชายอาจจะจริงของโยมแต่ไม่จริงของอาตมาพระเจริญตอบท่านมาเยี่ยมโยมยายเทวไรเป็นได้เห็นพี่สาวอยู่ในสภาพเมามายไม่ได้เรื่องทีนั้นไม่ผิดกับโยมป้าเหรียญเลยสักนิด ท่านอย่าไปถือนางจำแลงมันเลยคนบ้าอย่าถือคนดือ้อย่าสอนคนเมาก็ไม่ผิดกับคนบ้านางคนนี้มันทั้งบ้าทั้งดือ้อขืนสอนไปก่อไร้ประโยชน์อัตมาจะเชื่อโยมยายอ๋อโยมพ่อโยมแม่กลับมาพอดีทิพพองกับแม่จวนเห็นพระลูกชายเข้ามากราบพระหนุ่มถามโยมบิดา โยมมารดาว่าโยมพ่อกับโยมแม่ไปไหนมาหรือพาโยมแม่เข้าไปหาหมอที่ศุกสาลาท่านมานานแล้วรึครับทิศพองถามพักใหญ่ๆแล้วโยมแม่ป่วยเป็นอะไรจ๊ะถามอย่างเป็นห่วงก็ปวดหัวตัวร้อนตามปกตินั่นละจ๊ะโยมเป็นคนมีกรรมเบียดเบียนชีวิตสัตว์มามาก เลยต้องมาเจ็บค่ายได้ป่วยอยู่อย่างนี้พระเจริญนึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กโยมมารดาของท่านมีลูกถึงสิบคนต้องฆ่าปูปลาเป็ดไก่เลี้ยงลูกหากไม่ทําก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกกินกว่าลูกจะโตโยมมารดาต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์มากต่อมากท่านเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกรรมดำํา กับกรรมขาวการที่โยมมารดากลายเป็นคนขี้โรคก็เพราะกรรมดำโยมยายอายุยืนสุขภาพแข็งแรงก็เพราะกรรมขาวนี่กระมังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนเวนัยสัตว่ากรรมดำมีวิปากดำกรรมขาวมีวิปากขาวอัตมาจะมาลาโยมพ่อกับโยมแม่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 หากกรรมยังไม่สิน้นชีวิตธารวาสยากที่จะทำให้สิ้นกรรมได้เพราะทรมาหาเลี้ยงชีพบรรพชิตมีโอกาสมากกว่าในอันที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมโยมว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วแต่คนบางคนก็มีกรรมนะครับท่านเกิดมาในครอบครัวที่ดี แต่ทำตัวให้เลวเขาเรียกว่าพวกมาสว่างแต่ไปมืดทิดพองตั้งใจประชดลูกสาวคนเล็กผู้ซึ่งกลายเป็นคนที่เล่าเมายามาตั้งแต่ยังสาวข้าว่า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 ประเดี๋ยวแม่ได้เมาอารวาสไม่รู้ว่าพระวยมหรอกนางสาวจำแรงขู่กอนลองดูสิข้าจะได้เอาตะพดแผ่นกระบาลเองให้เลือดชั่วมันออกมาเสียบ้างทิดพองไม่ยอมแพ้ลูกสาวเห็นท่าทางเอาจริงของบิดานางสาวจำแรงก็นึกกลัวแม่หล่อนจะโตเป็นสาวอายุเกือบส0สปี ก็ยังถูกปิดาตีด้วยไม้ตะพดอยู่บ่อยๆตอนเจ็บหล่อนก็คิดว่าจะเลิกเล่าครั้นพอหายเจ็บมันก็เปรี้ยวปากเหมือนอยากเดิมอีกแล้วก็มีอันต้องพ่ายแพ้ใจตัวเองอยู่ร่ำไปอย่าไปตีเขาเลยโยมพ่อคนอย่างนี้ขืนตีก็ตายเปล่าปล่อยเขาไปตามกรรมเถอะพร ะ, จะเจริญห้ามโยมบิดา โยมก็พยายามแล้วนะท่านแต่บางครั้งมันก็เหลืออดจริงๆไม่รู้วเวรกรรมอะไรถึงได้มามีลูกพาเหล่าพากออย่างนางคนนี้ทิศพองยังไม่หายกโกรธนางสาวจำแรงจึงลุกขึ้นเดินสะบัดออกไปกระนั้นก็กวนโทสบิดาด้วยการพูดยอกย้อนว่าถามตัวเองสิ ที่ทำให้ข้าเกิดมาทำไมละ่ะยังกะข้าอยากจะเกิดเป็นลูกพ่อนักหนิฟังมันสินางคนนี้สงสัยไม่พ้นนรกคนเป็นพ่อพูดกรโกรธอย่าไปถือสาเขาเลยนะโยมทำให้ใจเราเศร้าหมองเปล่าๆ เ, เอาละอาตมาเห็นจะต้องกลับเสทีจนเวลาทำวัดเย็นแล้วเรือพงประจักษ์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 บอกพระภิกษุเพิ่งมาถึงวันนี้มากันประมาณห้าหกรูปเจ้าคุณอาจารย์ท่านชื่ออะไรครับพระเจริญถามรู้สึกสะดุดหูตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกเดิมท่านชื่อพระมหาโชดกเพิ่งได้รับโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอุดมวิชยานเมื่อเร็วเร็วเนี่ย ท่านเป็นเจ้าคณะห้าแล้วก็เป็นวิปัสนาจารย์ที่ชำนาญทางด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในประเทศไทยไม่มีใครเทียบเทียมท่านได้ฟังอาจารย์แพงพรนานาคุณสมบัติของท่านเจ้า ค, คุณอาจารย์แล้วพระเจริญค่อนข้างแน่ใจว่าต้องเป็นบุคคลที่หลวงพ่อในป่าบอกว่าเป็นอาจารย์ของท่านพระนุ่ม